อาจจะได้ก็ได้ถ้าหมอมีฝีมือจริงๆเหนะ็นไหมใช่เอาเล็บปลอมยัดเข้าไปถ้ามันน่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทําให้เหมือนเดิมเนี่ยยากนั้นถ้าชีวิตตัวรูปส่วนไหนเสียไปแล้วก็ยากแล้วนั้น <c oughs> จึงคอนอะไรที่จะมาซ่อมจริงๆเนี่ยยากนั้นชีวิตตัวรูป <c oughs> ชีวิตต <c oughs> ัวตรูปที่มาหล่อเลี้ยงตายคือผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกมา้าหัวใจตับไตไส้ต่อเนีย่ยนั้นชีวิตตัวนั้นเนี่ยมีสําคัญมีความสําคัญต่อการหล่อเลี้ยงรูปเหล่านั้นมาก สำคัญพอๆกับอาหารจึงแบ่งออกมาเป็นชาติเนี่ยอาหารก็ถือว่ามีความสำคัญต่อร่างกายในส่วนนั้นมากชีวิตก็ถือว่าสำคัญมากต่อการหล่อเลี้ยงมหาภูตรูปพวกนี้ทั้งหมดเลยลนั่นแถ้าหากว่าไม่มีชีวิตมาหล่อเลี้ยงภูตรูปอันนี้จะกลายเป็นอุตุเป็นสมุทฐานทันทีเลยเช่นคนตายคนตายเนี่ยมีรูปร่างกายอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนแต่ทาไมจึงขยับเคยื่อนไม่ได้ เพราะชีวิตตัรูปแตกดับเพราะเมื่อชีวิตแตกดับปั๊บรูปที่เหลือจริงเหลือแค่วินิพกครูปซึ่งมีอุตุเป็นสมุดฐานเท่านั้นเพราะว่าชีวิตรูปเหล่านี้เนี่ยมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นปัจัยมีกรรมเป็นสมุดฐานในข้อหกข้อเจ็ดนั้นก็ถือว่ารูปเป็นปัจใจแก่รูปเหมือนกันแต่ว่าข้างบนเป็นอาหารรูปชั้นล่างเป็น ชีวิตตรูปนั้นชีวิตรูปกับอาหารชรูปนั้นในชีวิตนี้มีความสําคัญมากเพราะผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงเรื่องอาหารชรูปว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้ได้บรรลุธรรมหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ได้บรรลุธรรมเรียกว่าอาหารส ป, ปายะอาหารส ป, ปายะถ้าได้อาหารส ป, ปายะชีวิตรูปก็ส ป, ปายะไปด้วยทําให้เกิดความสดชื่นเป็นต้นได้ อันเรื่องของรูปถ้าเป็นรูปเนี่ยนะเราก็คงพอเข้าใจนะส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษารูปก็ถือว่าศึกษาไปในตัวนี่แหละนั่นแหละอยบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ศึกษาเลยท่านก่อนนี่แหละก็กําลังศึกษาแล้วไงพอไปเรียนนิเงิน <c oughs> ก่อก็เรียนอย่างนี้อีกนั่นแหละงั้นก็วันนี้ก็ถือได้เรียนแลนะ้วเนอะตั้มาชรูปเกิดทุกอุปาทถีติพังค่าของจิต จิตตเชรูปเกิดทุกอุปาทัศขณะของจิตเรียกไดทุกๆกรรมตะเชรูปเกิดทุกอุปาทถีติพังคะเรียกว่าเกิดทุกอนุขณะย่อยของจิตแต่ถ้าหากว่ากรรมจิตตชรูปเกิดทุกอุปาทัศขณะของจิตสําหรับจิตที่สามารถทําจิตตะเชรูปได้นะเช่นอเวนทวิปัญจะทวิปัญจะก็ไม่สามารถที่จะทําจิตตะชรูปได้ แต่ถ้าหากว่าจิตธรรมดาทั่วไปแล้วทำจิตตชรูปทุกอุปาททุกอุปาทขณะแต่ก็ความสามารถในการทำจิตตชรูปของจิตแต่ละดวงก็ไม่เท่ากันเช่นโทสะจะมาให้ร้องหัวเราะก็ไม่ได้ใช่หโทสานี้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการหัวเราะได้แต่คนเสร็จหัวเราะก็ร้องให้สลับกันได้เพราะโทสะกับโลภะสลับกันนั้นโลภะจะร้องให้ก็ไม่ได้ โทสะจะหัวเราะก็ไม่ได้ใช่ไหมจะให้คนโทส่ายิ้มอย่างมีความสุขก็ไม่ได้แต่ขณะที่มีรอยยิ้มอย่าดูเหมือนมีความสุขภาพอายิ้มมันนั้นต้องด้วยโลภะแต่ก่อนหน้านั้นหลังหน้านั้นอ่าก่อนหรือหลังอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าอยู่ลึกๆ ล, ลงไปที่จริงจิตมันเกิดขึ้นทีละขณะมันไม่มีอะไรลึกอะไรเติ่นอยู่ในนั้นหรอกแต่ว่าก่อนหน้านั้นจิตชนิดใดจิตชนิดใดเกิดขึ้น สมมติว่ามีคนคนหนึ่งนะเขามาพูดเพื่อที่จะหลอกลวงเราเขาพูดดีๆเขามีเบื้องเบื้องลึกๆของเขาคือเขาอยากหลอกลวงเราถามว่ามันลึกมันลึกยังไงคาว่าลึกในที่นี้หมายคำว่าก่อนหน้านั้นนี่เขาคิดอะไรมาเสร็จแล้วเขามาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อต้องการอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อันเดิมแต่ที่จริงขอให้เรารู้ว่าถึงศัพท์ทั่วไปจะใช้คาว่าโหเขามีลึกๆ จริงๆมันไม่ได้ลึกหรอกจิตมันเกิดทีละอย่างแต่ก่อนหน้านั้นเขาตั้งใจคิดอะไรมานั่นแหละสำเนวนไทยๆเรียกว่าลึกๆแล้วเขาคิดอะไรนั่นแหละพอเข้าใจนะอย่างนี้การศึกษาพระธรรม ตามพระตรัยปิดกปฏิฐานวันเสาร์ที่สาสิบเอ็ดเดือนก ร, รกฎาคมพุทธศักราชสอง2นห้าสี่สิบสองณวัดพันเตาโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโกวันนี้ก็อีกวันหนึ่ง ซึ่งพวกเราทั้งหลายได้มาร่วมศึกษาปัจจัยนะเพราะว่าตามหลักผู้ศาสนานั้นกล่าวถึงเรื่องเหตุและผลซึ่งเรามาเรียนคําว่าปัจจัยนั้นเป็นชื่อของของธรรมะฝ่ายเหตุนะคำว่าปัจจัยนั้นแปลว่าแปลว่าเหตุนั่นเองหรือว่าสิ่งที่ทําให้ผลเกิดขึ้นหรือว่าผลเกิดขึ้นปฏิเสธ ปัจจัยหรือปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าปัจจัยนั้นปัจจัยนั้นมีความสําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของของจิตอเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของจิตซึ่งวันนี้เรามาดูเลยว่าความสําคัญของการเกิดขึ้นของจิตแต่และดวงนั้นมีความสําคัญอย่างไรมาจากปัจจัยอย่างไรจิตดวงแรกที่จะกล่าววันนี้เลยก็คือ ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตดวงตโตเลยนะข้างหลังจะได้มองเห็นเพราะว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมนุษย์ดวงใหญ่เพราะว่าใจบุญมากนะมหากรุสุนมหาวิบากนะที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปฏิสนธิจิตเกิดได้จิตดวงไหนดีให้เลือกเกิดเลยอ่ะเลือกเรียนอ่ะนะ อดวงที่หนึ่งยนโะยมผู้การเอาดวงที่หนึ่งนะดวงที่หนึ่งมีองค์ประกอบว่าหนึ่งโสมนัสอสังคาริกรแสดงว่าเป็นผู้นํานะโสมนัสยินมแย้มแจ่มใสอสังคาริกมีผู้นําฉลาดด้วยดังนั้นองค์ประกอบของเขาก็คือโสมนัสเวทนา อ, อสังขาริกมีปัญญาประกอบแล้วก็ไม่มีการชักชวน เป็นอสังคาริกะไม่มีการชักชวนปฏิสนธิจิตเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยอ่านะต้องปฏิสนธิจิตอันนี้เต็มชื่ออีกในหนึ่งเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณ น, นี้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยก็คือมาจากเอาเอานี้เลยนะ สังขารนี้ต้องเป็นมหากุศลนดวงใหญ่ๆที่ทําให้จะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็มาจากมหากุศลดวงที่หนึ่งมหากุศลดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตดวงนี้เกิดถามว่ามหากุศลตัวนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรที่นําเกิดหมายถึงตัวเจตนาเจตสิกเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตนี้เกิดขึ้นเอา ย้อนถอยหลังสมัยแรกเกิดใหม่ๆกับที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าอ่ะ น, นะเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าเอาของชาตินี้ไม่เหมือนไกลเนะาะก็เกิดมาหลายปีแล้วแต่ถ้ามองว่าของชาติหน้าไอะชักไม่ไกลเหมือนกันนะอ่า น, นะใครเล่าจะพึงรู้วันตายในวันพุ่งอ่ะว่าใครเล่าจะพึงรู้จักความตายในวันพุ่งเพราะว่าการถัดเพี้ยนกับมัจจุราชย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายพูดอย่างนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่า เ, เรื่องจริง <c oughs> <c oughs> เอาสั หลายๆนะเกินแปดสิบเลยนะลูกหลานก็นเลี้ยงไหวเลยทีนี้ถ้าแบ่งอย่างนี้ปุ๊บต้องแบ่งพบชาติแล้วใช่ไหมยพชาติก็คือฝ่ายมหากุศลนั้นต้องเป็นอดีตอันนี้พบปัจจุบันหรือว่าพบเก่ากับพบใหม่ เจตนาตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตแบบนี้เรียกว่านานักขาคณิกกรรมตัวเจตนานะเป็นนานักขาคณิกกรรมะปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตดวงนี้ซึ่งชาติของจิตที่เราเคยเรียนมาแล้วครั้งต้นๆ น, นั้นทบทวนก่อนอเห็นโครงสร้างนี้แล้วทบทวนวิชาเก่าเราครั้งหนึ่งชาติที่หนึ่งคือสหาชาตชาต สหาชาติชาติรวมรวมแล้วมีสิบห้าปัจจัยทีนี้เรามาดูว่าในมหาในปฏิสนธิจิตเนี่ยเป็นสหาชาตชาติไหมเป็นสหา ช, าชาติชาติไหมเงื่อนไขสหาชาตชาตินั้นปัจจัยกับปัจจ ย, ยุบันเหตุกับผลเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นในในมหาวิบากนดวงที่หนึ่งดวงนี้เนี่ยมีเจตสิก ค, คืออะโลภะอะ โทสะแล้วก็อะโมหะคือปัญญาเกิดขึ้นอโลพาอาโทสะหรืออโมหะเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันด้วยอำนาจเหตุปัจจัยหรือสหาชาติปัจจัยเพราะว่าเป็นในฐานะเป็นรากนะถ้าหากว่าปฏิสนธิจิตของใครนะอโทสมีกำลัง คนนั้นจะมีเมตตาไม่โกรธง่ายๆถ้าตัวนี้มีกำลังมากอ่ะโทสะมีกำลังจะไม่ค่อยนิยมโกรธแต่ถ้าบางคนนี่อ่ตรงนี้เนี่ยมันมามีความสำคัญในเรื่องอุปนิสัยด้วยนะอ่าเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องประตูปานิสยะปัจจัยแต่ตรงนี้ให้เราว่าจิตเจตสิกที่เป็นปัจจใจแก่กันและกันในดวงเดียวกันนั้นน่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเจตนาเจตนาหรือว่าจะเป็นพวก ่าเจตสิกอื่นๆเช่นเวทนาเจตสิกที่ว่าเป็นโสมณัตหรือว่าเอกคตาเจตสิกเจตสิกที่ประกอบพร้อมกับมหาวิบากดวงที่หนึ่งเอารวมๆไปนะสภะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดสิสภะก็มีแค่เจ็ดเองใช่ไหมสภะจิตตะสาธารณาเจตสิกเจ็อะไรภาษา 1>, 1. ภาษาสองเวทนาสมสัญญา 4, สีาา่สังขารเจตนาสังขารอันเดียวกัน <c oughs> เจตนาและก็ชีวิตินทรีย์มณสิการเจ็ดดวงแ ล, และอะไรอีกปกินกะเจตสิกอีกหดวงคือวิตกวิจารอธิมโมกวิริยะปีติฉันทะรวมทั้งหมดเจ็ดบวกหเป็นสิบามดวงเรียกว่าอัญญสมนาเจตสิก13ประกอบกับมหาวิบากดวงนี้ แน่นอนแน่นอนและก็มีโสภณะสาธารณเจตสิกรประกอบอีก19เดวงก็คือศรัทธาสิริโอต ป, ปะสติอะไรผิดสูตรใช่ไหมผิดสูตรร่าไม่ถูกเลยนะาำหมศรัทธาสติอิริโอตปาอโลภาอโทสะตา ต, ตระมาตตาตากายปัสสติจิตตปัสสติกายะ ละหูตาจิตตาละหูตากายะมุทุตาจิตตามุทุตากายะกามัญญตาจิตตะกามัญญตากายโชูกตาจิตตุชูกตาตาคุณยตาเออจิตตาตาคุณยตากายะาตาคุณญตามันหกคู่มันหลงถ้าของคู่แล้วส่วนใหญ่มันจะลืมถ้าเดี่ยวจําง่ายนั่นแหละพระพระมีองค์เดียวใช่ไหมไม่มีคู่ เพราะในที่เรียกว่าโสภาสาธารณะทั้ง19ดวงนี้จะเกิดนะเท่ากับ13บวก19ต้องดูว่าเรขเกิดนั้นมหากุศลดวงที่หนึ่งมีปัญญาประกอบทั้งหมดรวมแล้วได้33ดวง33ดวงวีระตีจะไม่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะ วระติเจตสิกคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่เกิดร่วมกับมหาวิบากจิตในตติสนธิและก็อปปามัญญาจะไม่เกิดแต่ถ้าเป็นพรหมปฐะมะชานภูมิอาจจะมีอัปปามัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าพวกเรานี้ขอให้รู้เธอว่าไม่ได้มีกรุณามาแต่อ่อนแต่ออกนะแต่ว่าไม่ไม่มีโทสะมาแต่อ่อนแต่ออกเลยนี่ถูก เพราะฉะนั้นวีรตีกับอั ป, ปมัญญาไม่เกิดโดยแน่นอนกับมหาวิบาจิตในขณะปฏิสนธิการหรือขณะไหนไหนก็ตามแต่ทีนี้ในจิตเจตสิกเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันในดวงเดียวกันพูดรวมรวมว่านามเป็นปัจจัยแก่นามจิตเป็นปัจจัยแก่เจตสิกเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตในลักษณะนี้เป็นสหาชาตาชาติา ช, าตาชาติทีนี้ มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่นี้ใช่ไหมคนเกิดแต่จิตอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ถ้าหากว่าเกิดแต่จิตอย่างเดียวจะเรียกภูมินั้นว่าเป็นอรูปภูมิแล้วนะถ้ามีแต่รูปเกิดอย่างเดียวเขาเรียกว่าอสัญญสตาภูมิหรืออะไรนะอสัญญสตตาพรมอสัญญาแปลว่าอสัญญาอะตัวนี้แปลว่าปฏิเสธแเรว่าไม่มีสัญญาเลยสัตตาแปลว่าสัตว์สัตว์ที่ไม่มีสัญญา แต่ตรงนี้มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่มีสัญญาแต่ว่าสัญญาของมนุษย์ที่นําเกิดมีสัญญากี่อย่างมนุษย์เกิดด้วยกี่สัญญาไปนับไทยเอาไว้หรือเปล่าม้างจะมาเกิดอ่าคนละสัญญากันสัญญาตรงนี้หมายถึงปฏิสนธิจิตนะอ่ามนุษย์นั้นสัญญาที่ทําให้เกิดพูดแบบดวงทั่วไปก็มีอยู่เก้าดวงปฏิสนธิด้วยจิตเก้าอย่างคือมหาวิบากแปดและอเหตโยกะ อุเบขาสันตุรณะหนึ่งดวงรวมเป็นเก้าดวงเพราะฉะนั้นมีจิตปฏิสนธิจิตยังแตกต่างกั น, นหน้าตานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าตานี้แตกต่างกันมนุษย์เป็นสัตวที่มีปฏิสนธิจิตต่างกันปฏิสนธิจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญามีสัญญาที่แตกต่างกันแล้วก็มีกายที่แตกต่างกัน บาลีเรียกว่านานัตตะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่มีสัญญาต่างกันนาตัวนี้มาจากนานานานานิพแปลว่าต่างๆแต่บางภพภูมินั้นอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานมีสัญญาเป็นเอกะตะอันเดียวกันส่วนร่างกายนานัตตะโอ้โหเดรัจฉานเนี่ยอย่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกัน นี่น ะ, ะตัวบนนี่เป็นถึงมนุษย์ตัดเทวดาเป็นต้นอันนี้สัตว์ในอบายภูมิสี่จะเป็นลักษณะนี้นะเราะถ้าใช้คำว่ามีกายต่างกาันมีปฏิสนธิจิตต่างกาันเนี่ยบ่งถึงวิบากและกรรมชร้อวิบากและกรรมชร้อรแรกเกิดเลยแม้แต่ใช้คำว่าพบก็เหมือนกัน พบนั้นทั่วไปแล้วขอให้รู้ว่านั่นหมายถึงวิบากและกรรมาชรูปวิบากและกรรมาชรูปหมายเอาวิบากตั้งแต่แรกเกิดเลยนะสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่กันตรงนี้เนี่ยสมมติาอาตมาเนี่ยสมมติส ม, มัยก่อนเนี่ยมันไม่มียาสระผมใช่ไหมสมมติมาเกิดเมื่อส ม, มัยเมื่อเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วเงี้ยผมนี่มีเหาเติมหัวหมดเลยถ้ามีเหาหยุดบนหัวตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะมันพบไหนกันแน่ถ้าจะถามว่ามันเป็นพบไหน อ้ขนาดที่เขาเนี่ยมาตต่บนหัวเยอะๆเนี่ยถามว่าพบไหนอ้าวเอาสมมติถ้ามีเหาเอามียุงมากัดเนี่ยมียุงมากัดถามว่าขนาดที่ถูกยุงกัดเนี่ยพบไหนกันแน่ๆๆๆๆอ๋อนะยุงก็มาด้วยกรรมของยุงยุงเป็นสัตว์ในอบายเป็นกามมาพบแต่เป็นสัตว์อบายตัววิบากและกรรมมาชั่วของอาจะมาเป็นสุขติภูมิเป็นก ร, รมมาพบเหมือนกันแต่เป็นกามมะ สุขติภูมิเขาเรียกมนุษยภูมิมนุษยภูมินี่เอาแค่ไหนเอาแค่เนี่ยกายยาวานาคืบเฉพาะของใครของใครของใครก็ของใครถ้าตัวยุงมาเกาะเข้าไอ้ตัวยุงในในขอบเขตของตัวยุงเท่านั้นแหละเป็นอบายภูมิก็แค่ตัวยุงแค่นั้นแหละนั่นแหละทัานไม่มีอย่างอย่างในต้นไม้เราไปพักร่มใช่ไหมสัตว์เขาก็มาพักร่มไม้ด้วยเราก็พักร่มไม้ด้วยถามว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเป็นภูมิไหนอ่าถ้านั้นมันเป็นโอการสโลก ไม่ควรหาภูมิใช่ไหมโอกาสสโลกนี่ไม่บางครั้งจะแบ่งว่าถ้าสัตว์นั้นหนาแน่นในโอกาสใด บ, บางทีโอกาสนั้นก็เรียกเป็นภูมิไปด้วยโดยนัยะสงเคราะห์แต่จริงๆแล้วความเป็นพจนต่างๆนั้นดูที่วิบากและตรรมชรูปว่าวิบากกิจเขาปฏิสนธิด้วยอะไรถึงพระเจ้ามันทาตุราชไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดินพระอินตายไปสามสิหกองแล้วแต่ก็ยังอยู่ใช่ องค์ที่สาสิบหกพึ่งจุติพระเจ้ามันทาตุราชนั้นโดยเป็นจริงๆแล้วเป็นมนุษย์เพราะปฏิสนธิด้วยมนุษย์แต่พาะบุญบางอย่างพอไปอยู่ในนั้นตายก็เป็นทิพย์ไปเลยเพราะนั้นถามว่าพระเจ้ามันทาตุราชโดยภูมิเป็นมนุษย์ภูมินั่นแหละเพราะเอาวิบากลและตามมาสรูปเรกเกิดเป็นเป็นประมาทนั้นพุทศาสนานี้ให้ความสําคัญกับเรกเกิดมากเลยนะอย่างเช่นกองทุกเนี่ยชาติเป็นทุกขา อาปดิสุลที่จิตกับกลัมาสรุปเกิดเป็นหลักเพราะถ้าไม่เกิดจะมาแก่อย่างนี้ไหมไม่แก่แน่แต่ถ้าไม่เกิดอีกก็เสียใจอีกแล้เนาะน้อยนักนะที่ว่าโอ้หรู้ว่าตัวเองจะไม่เกิดอีกเนี่ยจะไม่เสียใจเนี่ยนี่ไม่กี่คนหลักที่ปาถนาจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างงี้เห็นไหมบริจาคออืเห็นโทษในวัดตาจริงจริงไม่อยากเกิดอีกฮะไม่มากนะนี่แต่ไม่มากนะจริงจริง เพราะส่วนใหญ่ก็ยังยินดีในการเกิดโยมท่านหนึ่งก็บอกว่าผมคงไม่เรียนธรรมะให้มันลึกซึ้งมากนะหรอกผมยังอยากเกิดอีกเขาว่าอย่างนั้นเขาเลยไม่มีแนวโน้มที่มาศึกษาธรรมะให้เข้าใจละเอียดเลยนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วถ้าศึกษาเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดนะถึงเกิดต่อไปใหม่ก็จะเป็นเกิดแบบฉลาดหน่อยคือมีปัญญานะมีปัญญาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในปฏิสนธิจิตนั้นมีปฏิสนธิจิตที่แตกต่างกันซึ่งมาจาก สังขารคือมาจากกรรมที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าหากว่าคนไม่ได้มาจากกรรมที่ต่างกันปฏิสนธิจิตคงจะเหมือนกันหมดแต่นี้ไม่เหมือนกันถามว่ารู้ได้ยังไงว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยแตกต่างกันเพราะบางคนเวทนาเป็นโสมนัสใช่ไหมบางคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่งใสบางคนนี่ยอยู่คนเดียวเมื่อไหรเนี่ยไม่ยิ้มเลยยิ้มยากจริงๆเลยไม่นึกถึงอะไรที่ทําให้จิตยิ้มเลยพวกนี้ปฏิสนธิด้วย อุเบกขาแต่เจอเพื่อนผู้งอะไรก็ยิ้มยิหน่อยพอเป็นพิธีไปอย่างนั้นเนี่ยปักชีโรยหน้าแกงเผ็ดแปว่าปักชีโรยหน้าไปอย่างนั้นเน่ะนั่นแหละบางคนก็เป็นอุเบกขาตลอดพูดคำกับถามค ำ, คำไม่ยิ้มไม่เย้ย น, นะนะแบางคนนี่ก็มีเวทนาที่แตกต่างกันลักษณะนี้และบางคนเนี่ยที่มีความแตกต่างกันมากเช่นการเรียนรู้เนี่ยลูกฝาแฝดก็ไม่ได้ฉลาดเท่ากัน สติปัญญาที่แตกต่างครูสอนคนเดียวกันอาหารหม้อเดียวกันกินนมแม่คนเดียวกันก็ยังแตกต่างกันเพราะปฏิสชนที่จิตที่ที่แตกต่างกันในลักษณะนี้ในขณะแรกเกิดนั้นพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ประกอบด้วยรูปสามกลุ่มถ้าเกิดในคันนะเกิดสามกลุ่มก็คือกลุ่นที่หนึ่งเรียกว่าหทยะทสกะ หะทยะนี้แปลว่าหะไทยหะไทยตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของของจิตดวงนี้นะหะทยะไม่ได้แปลว่าตัวหัวใจนะไม่ใช่ตัวหัวใจแต่เป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของปฏิสนธิจิตแล้วก็คําว่าทศกะนี้แปลว่าสิบถ้าบวกกันอย่างนี้เข้าเขาบอกว่าหะทยะทศกะนี้แปลว่ากลุ่มรูป ที่มีฮะไทยเป็นที่สิบนับแล้วฮะไทยหรือว่าหทยะตัวนี้เป็นที่สิบก็คือตามสูตรนี้ว่าเอเมริโคกกรูปแปดตามมาชรูปยังไงก็ต้องมีชีวิตบวกกับฮะไทยอีกหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบรูปและมีไหมใครอยู่ที่นี่ไม่มีเพศเลยไม่มีนะส่วนใหญ่ก็มีเพศเพศเขาเรียกว่าภาวะทะสกะ ก็เหมือนการกลุมรูปสิบรูปมีภาวะเป็นที่สิบมีภาวะเป็นที่สิบแล้วก็กลุมรูปอีกสุดท้ายก็คือกายบวกทศกะมีสามอย่างด้วยกันแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในที่อยู่ในตรงนี้ก็คือชีวิตชีวิตแต่รูป ที่ที่เห็นชัดในเรื่องนี้บ่งถึงนั้นก็คือเรื่องของสีในกลุ่มเหล่านี้นะที่เห็นได้ก็คือที่ใช้จากครูวิญญาณเห็นได้ก็คือรูปารมณคือสีในหัตยกะทศกัราบนั้นอะ่ะในกลุ่มนั้นก็มีสีอยู่ด้วยในภาวะก็มีสีอยู่ด้วยในตายยทศกาก็มี สีอยู่ด้วยทั้วสีตัวนี้เนี่ยบ่งถึงความแตกต่างการแห่งกายเพราะว่าทั้งตายยะพายะหัทยะนี้ก็รวมเรียกรวมรวมว่าตายเพราะคําว่าตายเป็นที่ประชุมเป็นที่ประชุมของหลายๆอย่างด้วยกันแั้นคําว่าตายก็คล้ายๆกับจอมปลวกนะเป็นที่ประชุมของเยอะแยะหมดทีนี้ในหะทยะตัวนี้เนี่ยในปฏิสนธิเนี่ยทางหลังมองเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมใครไม่เห็นยกมือขึ้นให้ดูให้รู้หน่อย นั่นแหละไม่เห็นเลยนะโตแสดงมาเห็นหมดตาดีมากนั่นแหละหาทยะตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตไหมในแรกปฏิสนธิเลยเป็นไหมหากทยายะวัตถุตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตในแรกเกิดไหมเป็นเป็นโดยชาติอะไรในสิบห้าในในในเก้าชาติ เป็นสหาชาติชาติเพราะว่าโอกลันติคเนนามรูปังอัญญามัญยังสหาชาตปะปะเยนะปะโยในขณะปฏิสนธิการทั้งจิตและเจตสิกเหล่านี้พร้อมกันกับหะทยะวัตถุนี้เปิดพร้อมกันเปิดขณะเดียวกันเลยปั๊บเดียวเลยเปิดพร้อมกันเ้า่ะจุดสตาร์ทพร้อมกันเลย แต่บางคนเนี่ยเก้ามันยาวบางคนเนี่ยเก้าสั้นแต่เก้าทีอย่างจิตเนี่ยนะมันก็เหมือนคนขาสั้นเนี่ยวิ่งไปสิบเจ็ดเก้าแล้วไอ้คงเก้าเดียวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นจิตเตดับไปสิบเจ็ดวงเท่ากับรูปดับหนึ่งดวงรูปดับหนึ่งขณะรูปแต่ว่าจิตเตดับแล้วอย่างนี้แต่รูปเขาก็มีอายุยืนยาวแล้วก็เกิดรูปใหม่ๆรูปเนี่ยมันแปลว่ามันเกิดทีเดียวหลายรูปบ้าจิตเกิดทีละดวงอ่าเงื่อนไขเขาว่ารูปเนี่ย เช่นกรมม่ชรุ่เนี่ยเกิดทุกอุปาทะถีติพังคะของของจิตแต่ว่ารูปตรมม่ชรุ่มจิตต่ชรูปเกิดทุกอุปาทิขนาดของจิตส่วนอาหารชรุ่อุตุชรุ่มเนี่ยหาประมาณไม่ได้ขณะไหนได้หมดแหละนั่นแหละเพราะรูปมันมีอายุยา ว, ยาวๆเนี่ยรูปใหม่ๆจึงเกิดขึ้นการแบ่งตัวของเด็กสำหรับแรกปฏิสนธิมันก็เกิดการแบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัว ขึ้นเรื่อยๆมันจึงโตจนเท่าถึงโตเท่าไหนดิเท่าทุกวันนี่แหละนะอะหาทยะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนลที่จิตเหล่านี้ด้วยอํานาจสหชาติชาติปฏิสนลที่จิตเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ภาวะรูปในขณะพร้อมกันเนี่ยนะในอุปาทกนาโดยสหชาติชาติเหมือนกันอัะนนะัเรียกว่าท่านะจิตจริสศิษ์เป็นปัจจัยแก่ตัวเองอย่างนี้เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่ นามถ้าจิตจริ ต, ตเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่กรมมชรูปเหล่านี้เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่รูปถือว่ารูปสามกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อการเกิดขึ้นกับรูปมิถือว่าปฏิสนทธิวิญญาณตัวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกรมมชรูปถ้าเป็นสูตรนะบอกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามและรูปในที่เดียวนี้นะ หรืออีกในหนึ่งเขาแปลว่าวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามคือเจตสิกกับกรรมมชรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยทีนี้โดยสหาชาติชาติเนี่ยได้แล้วทีนี้สองสองชาติอะไรอารมณชาติก็คืออารมรณ์ปฏิสนธิจิตมีอะไรเป็นอารมณชาติหรือมีอะไรเป็นอารมณปัจจัย ต้องดูว่าจิตดวงนี้เนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์อถ้าหากว่าก่อนตายสมมติว่านะก่อนก่อนจิตดวงนี้เกิดเนี่ยเ้าเรียกว่ามรณาสันน่วิถีวิถีจิตก่อนตายใก้จะตายคิดถึงอะไรเอางี้นะยมเมื่อวานนี่โยมพุกการเล่าว่ามีมีผู้ที่ไปฝึกฝึกแล้วตายคาที่ฝึกนั่นแหละคําพูดที่ร้องก่อนตายว่าแม่ว่าจ๋าเม่นนะ แสดงว่าอย่างอื่นก็จำได้เช่นนะั้นนะบอกว่าแม่แสดงว่าในขณะนั้นเขามีอารมณ์คือรูปารมณ์คือภาพของแม่เป็นอารมณ์ภาพจิตขณะนั้นเป็นมรณาสันจิตถ้าเขาเห็นพรหน้าแม่นึกถึงภาพของแม่ขณะนั้นเป็นเป็นรูปารมณ์เป็นกรร ม, มานิมิตอารมณ์เป็นกรร ม, มานิมิตอารมณ์ที่เขาจะปฏิสนธิต่อไปนะอย่างนั้นเป็นกรรมม า, ารมณ์ บางคนเนี่ยไมะตายมึดถึงสภาพจิตที่ตัวเองเคยคิดเอาไว้สมัยแต่ก่อนบางคนเนี่ยมึดถึงหูเราไม่น่าไปไปเคล็ดร้ายกับพระอารยเจ้าเลยอย่างเงี้ยพอมึดถึงในสนานนี้ปุ๊บเรียกว่ามีกรมมอารมณ์บางคนเนี่ยมึกถึงโอ้โหสมัยก่อนนะเคยเจริญกุศลจิตอย่างต่อนเนื่องก่อนตายมึกถึงกุศลจิตอันนั้นนี่ก็เรียกว่ากรมมาอารมณ์บางคนนี่ทําบุญให้ทางใช่ไหม ทำบุเมื่อเราดีทำบุญเรื่อข้าวนะนั่นแหละตอนตายเนี่ยนึกถึงข้าวปฏิสนี่นจิตเดีวนี้ก็จะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายนะจิตใกล้ตายคิดถึงอะไรดดูนะเราเนี่ยปิุกจิตถ้าไม่เกิดข้านตั๊ะตาย ท, าทันทีเลยนะใครจะรู้ ว, ว, ว่าวิาถงสุดข้าวมีขนาดไหนนั่นแหละท่านสอนให้กรดอนกุะสนบา เอไหมว่าเราก็คติที่ไต่ขึ้นหน้าจะได้ดีนักมวยไทยที่จะอยู่ตรงนี้ตลาดไตนะ่เนาะจะอยู่ตรงนี้มันนานเท่ากับชักหน่อยเหมือนกันนะคนท่าดูมากๆขึ้นเนี่ยโอยตัวจะตัวระแปดจะแปดเลยว่าบางทีเนี่ยโครคไทยเข้าเกิดมากมากเนี่ยไม่ใช่เขาอยากอยู่นะเขาอยากไั่เนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนอีกนั่นแหละแต่ถ้าคนที่ทำเดิมมาวยอะๆค่อนข้างจะโอ้ไปดีแน่คติชนที่จิตเหล่านี้เนี่ยมีอารมณ์คือจำจำมนิมิตรคตินิมิต อย่างนี้เรียกว่าอารามณะประกูลอารามณะชาติเนี่นะประกูลอารามณะชาตแสดงว่ามีหลายตักาจเพราะว่าปัจจุเซินที่จิตเนี่ยมีอารมณ์เป็นปัจจุบันก็ได้มีอารมณ์เป็นปัจจุบันได้เช่นคนที่กําลังจะตายเนี่ยเอาดอกบัวมาเขาแบบแม่ดูดอกบัวนะจะ<ไ>เห็นดอกบัวตึ๊บจิติทันทีเลยขณะที่ยังตายยังเทียบได้กว่าเวาตาค้างตายนะจานวนไท่ยเทียบไดกว่าตาค้างตาย จิตวิญญาที่มีดอกเบี้ยนั่นแหละเป็นอารมณ์ปติเสธที่ว่มีดอกเบี้แต่ดอกเบี้ยนั้นยังไม่หมดไปอย่างนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันนะอารมณ์ฉะนั้นปัจจุบันนะอารมณ์จะมีคําว่าอัถิปัจจัยอวิคตะปัจจัยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าอารม์มณชาติทีนี้ต่อไปชาติที่สามชาติที่สามก็คืออนันตราชาติอนันตราชาติ อะไรเป็นอนันตระปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตอันนี้ปฏิสนธิอ่ะตอนปฏิสนธิเรียกว่าอะไรโอ้สาธุเจ๋งมากเลยอ่ามีจุติเป็นปัดใจ จ, จุติเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิด้วยหนึ่งอนันตระปัจจัยแต่ต้องจุติต้องหมดไปก่อนนะปฏิสนธิจิตจะเกิด อนันตราปัจจัยสมนันตราปัจจัยนัภิปัจจัยวิคตะปัจจัยและอานันตรูปะมิสยะปัจจัยมันเต็มชาติเลยนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยท่าจึงเรียกว่าอานันตราชาตทิทั้งทๆที่ดวงเดียวเท่านั้นแหละที่หมดไปเป็นปัจจัยให้ดวงใหม่เกิดขึ้นอันนะี้อนันตราชาติใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นเก่งมากเลยต่อไปยสี่ชาติที่สีคือ ชาที่สี่คือชาดเลยนะอนันตระสมัญันตระก็อันันตระชาติอันเดียวกันโดยชาดหรือโดยชาดเอาโดยชาดอะไรนะกิจเกิดขึ้นต้องมีวัตถุใช่ไหมต้องมีวัตถุวัตถุชาตของวัตถุหรือ่าถ้าอย่างงี้ไม่ปูเลยนะไม่ปูเลยมีนเกิดพร้อมกันอ่าเป็นวัตถุชาตเกี่ยวกับเรื่องวัตถุโดยมี และถูกแลว่าที่อาศัยเกิดของจิตหาทายาวัตถุอันนี้เนี่ยเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตแต่วัตถุอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุปเป็นวัตถุเถืถอยไม่ปุได้ไหมเป็นสหาชาตะแต่วิปทยุ ต, ตะเกิดพร้อมกันแต่ว่าแต่าทายานี้เป็นโดยฐานะว่าเป็นาทยายะให้เขาเกิดแต่เกิดพร้อมกัน นะั่นแหละกเป็นวัตถุชาติแล้วกันไม่ปูเรแล้วมันเกิดพร้อมกันอ่ะปูไม่ได้เลยปูเรเนี่ยปูเนี่ยปูเรตัวนั้นแปลว่าก่อนอ่ะ น, นะจิตเดยนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุเป็นที่เกิดทีนี้ต่อไปอีกข้อที่ห้าคือตัดขาจิตเซนที่จิตเนี่ยไม่เป็นปตัดขาตัด ปฏิสนธิจิตตัวนี้ไม่เป็นปัดช้าชาตัดชาติแก่รูปใดเลยเพราะไม่มีรูปเกิดก่อนหน้านี้มาเลยใช่ไหมให้ไปเป็นตัดชาเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตอันนี้ไม่เป็นตัดช้าชาติดัจัยเลยแต่ถ้าเป็นจิตอื่นๆเป็นตัดช้าชาติดัจัยให้แก่รูปได้เพราะว่าปัดช้าชาติดัจัยก็คือนามเป็นปัจจัยแก่รูปเพราะฉะนั้นน้ำอันนี้ไม่ได้เป็นปัจใจแก่รูปเลยเพราะรูปเหล่านี้เกิดอะไรเกิดก่อนเกิดพร้อมกันนะ เต็มสหาชาติาชาติทีนี้ชาติที่หกคือชาติที่หกอะไรนะเห็ไนไหมรูปอาหารชาติรูปอาหารชาติาาาตในจิตเร า, เาในกรรมไม่ชรูปเหล่านี้นะมีโอชาเกิดร่วมด้วยรูป ทุกๆรูปในกรรมสชฌราบเหล่านี้เนี่ยมีโอชาเกิดร่วมด้วยโอชาเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่รูปในกราบเดียวกันในกราบเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละด้วยรูปอาหารและปัจจัยอานะบ่งถึงความเป็นปัจจุบันก็มีอัคุกับอวิขตะเข้ามาด้วยนั้นก็เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันนี่เขาเรียกว่ารูปอาหารก็ในในกราบเดียวกันนั่นแหละ เธอในก็าบเดยกันนั้นถ้ามหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่รูปที่เหลือโดยสหภ า, าตะนิสยะอธิอวิชตะแต่ถ้าอโอชาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตารูปเนี่ยโดยรูปอาหารปัจจัยรูปอาหารรัติรูปอาหาระอวิชตะนั่นะหละฟังชื่อไปคุ้นๆก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ่อยๆเข้าใจเยอะรานนี้เราเรียนเป็นเป็นเป็นกลุ่มก่อนนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะค่อยๆเรียนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ทีนี้แต่ไปนะกลุ่ที่เจ็ดก็คือรูปชีวิตพวกนี้เป็นกรรมะชรูปใช่ไหมเมื่อเป็นกรรมะชรูปในนี้จะมีชีวิตยอยู่ด้วยชีวิตต่รูปเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่กรรมะชรูปอย่างนี้เรียกว่ารูปชีวิตปิณริยชาตรูปชีวิตปิณรดยะปัจจัยมีลูกน้องห้อยท้ายมาด้สองปัจจัย ออัฐิเกาวิคตะบ่งถึงความเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันนั่นแหละไอคาว่าอัิแปลว่ามีอยู่อวิคตะยังไม่หมดไปนั่นแหละชีวิตเนี่ยเป็นตัดใจแก่กลุ่มรูปเหล่านี้โดยหล่อเลี้ยงอนุบาลให้รูปเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ชั่วขณะนั้นๆแลวก็อนุบาลในขณะที่ยังมีอยู่และยังเป็นปัจจุบันเท่านั้นอาทีนี้ รวมที่แปดที่แปดนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจตั้งอะเริ่มมาต่อแล้วนะมาเริ่มเรียนใหม่ละนนี้ของเก่าที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยทบทวนวิชาที่เราเรียนครั้งก่อนๆอันนี้ต่อไปก็คือนานัคขะค่านี้จตัมปักระ ต, กตูเอาไว้สุดๆเลยปักระตูเพราะว่าเมื่อเขจอย่างอื่นหมดแล้วปกักระตูทุกการบอกเปิดประตูว่างั้น เยอะออ น, นะวบากจิตนี้เป็นวิบากจิตใช่ไหมเป็นวิบากจิตโรคทั้งหมดเหล่านี้เป็นกรรมชโรคเพราะฉะนั้นวิบากและตรร ม, มชโรคนั้นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาเกิดก็คือตรรมกรรมกรมเกิดจากเจตนานะนะเขาบอกว่าคนจะมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามก็มาจากเจตนา หรือว่าปฏิสนธิจิตที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็มาจากเจตนาเฉนั้นในขณะแรกเกิดนี้ถามว่าบุญกรรมที่มาตกแต่งเนี่ยมาจากกรรมอันเดียวไหมในแรกปฏิสนธินั้นมาจากกรรมอันเดียวไหมกรรมเดียวฉันไให้ผลนําเกิดครั้งเดียวนั้นน่ะอในไม่มีปัญหากล่าวว่าวิสยารูปห้าหรือว่าปสาทรูปห้ามาจากกรรมที่แตกต่างกัน ทั้นไตรย่าภาษาพระกะหทยะนี้มาจากกรรมอันเดียวกันไหนะให้ศึกษากันต่อไปว่ามาจากกรรมอันเดียวกันไหมนั้นแหละแต่ให้รู้ว่าทั้งหมดทั้งชุดนี้เนี่ยมาจากผลของกรรมแต่ถ้ามาเป็นมนุษย์แบบนี้แสดงว่ามาจากผลของกรรมที่ดีอย่างแน่นอนมาจากกุศลกรรมอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณภาพของรูปมันแตกต่างกันบางคนเนี่ยภาวะเรื่อดีบางคนนี้ รูปส่วนอื่นๆไม่ค่อยดีนั่นแหละมาจากรูปที่แตกต่างกันนะถ้าถ้าใครเจอก็บอกด้วยนะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมีกรามต่างกันหรือกรรมอันเดียวกันนะถ้าใครพบที่มาที่ไปก็ให้เล่าบอกด้วยเลยนะอ่านั่นแหละไหนเะ และมีสี่ตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งจิตกรมรมเชื้อสามกลุ่มสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นผลของกรรมเมื่อผลของกรรมนี้มาจากกรรมเดียวกันไหมตรงนี้แหละเนะนี่ยเนี่ยเจนองถ้าหากว่าเทียบอย่างนี้ก็ความประนีตแตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าประษาทรูุห้าน ะ, ะมาตอบได้เลยโคลกรรม อันนั้นมีที่มาชัดเจนแต่ถ้าอย่างนี้นี่อาตมาก็นักเรียนเหมือนกันไหมไอ้ของเราเนี่ยกรรมที่มาแต่งให้มาขนาดนี้ไม่ใช่กรรมเดียวเอางี้นะยังเห็นรถหนึ่งคันเนี่ยนะโรงงานที่ทําอะไรเนี่ยโรงงานเดียวกันไหมคนละโรงงานแต่อาจจะที่ประกอบที่เดียวกันของพวกเราเนี่ยนะกรรมที่มาแม่งอยู่อย่างนี้นะโรงงานที่ที่ประกอบเนี่ยโรงงานเดียวคือท้องแม่ โรงงานนั้นโรงงานเดียวที่ประกอบนะแต่ว่าอะไรที่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมาจากกรรมที่ต่างกันแขนเนี่มาจากกรรมอย่างหนึ่งขามาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งหัวมาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งเส้นผมก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งผิวพรรณก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งตับก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งไตก็มาจากอีกกรรมหนึ่งต่อก็มาจากอีกกรรมหนึ่งโรงงานไม่ไม่ไม่โรงงานเดียวกันเนี่ยคนละท้องเนี่ยแปลว่าคนละท้องกันน่ะฉั้นเพื่อจะให้รู้ว่า ในร่างกายของเราเนี่ยอะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมาจากกรรมที่แตกต่างกัน อ, อถ้าหากว่าผู้ใดศึกษาลักณะลักษณะสูตรนะถ้าสูตรที่ว่าด้วยมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าอ่าที่นั้นท่านกล่าวเลยว่านี่ยคอของพระุทธเจ้านี่ จ, น<ม>าจากกรรมอะไรแผ่นิ้นที่แผลปิดหน้าผากได้มาจากกรรมอะไรหูใบหูที่ยาวนี่มาจากกรรมอะไรหูใบหูทยานี่มาจากกรรมอะไรติมผมนี่มาจากกรรมอะไรถืพันเหล่านี้มาจากกรรมอะไร ในสูตรนั้นเนี่ยบอกหมดเลยว่ามาจากคนกรรมคนกรรมคนกรรมคนกรรมหรือมาปรุงแต่งให้เป็นมาเป็นรูปแบบเจตจายงิทธรรัตถะมาจากหลายกรรมมากมานักขักตคเนตตกรรมในขณะแรกเกิดเลยก็คือปฏิสนธิจิตเหล่านี้เนะนี่ยทั้งวิบากกรรมชรูปการเพื่อถึงอย่างนี้เรียกว่านานักขักตคเนตตกรรมชาติเรารู้ไหมว่าตามที่ให้เกิดเนี่ยมากรรมจากชาติไหน นั่นแหละบางคนเนี่ยมาเกิดอย่างนี้เพราะแต่รู้ว่าอย่างนี้เนี่ยมาจากมหากุสสนแน่นอนมหากุสสเต็มชนกกะกรรมแต่กรรมนี้ที่ทำไว้ในชาติที่แล้วหรือกรรมมาในชาติก่อนๆนูน้นให้ผลนำเกิดมาอันนี้รู้ไม่ได้อะไไม่ไม่ใช่ทิศสายของเราเลยถ้าเป็นเทวดานี่เขาจะรู้พาเทวดาเกิดตึด๊บเขาเขามียานอยู่อย่างหนึ่งเป็นเป็นบุญของเทวดาชั้นสูง เจะรู้ทันทีว่าเข้ามาด้วยกรรมอะไรพอรู้เลยนะอย่างเทพประบุกบใช่ไหมเทพประบุกบพออ่าตายต๊นสติสนที่เขบอกว่าเหมือนหลับแล้วตื่นตื่นที่มาปั๊บระลึกชาติจาได้เลยว่ากรรมที่ทําให้เกิดเป็นเทพประบุกบ ก, ก็คือสร้างธรรหรือว่าเทพประบุั้งข่าห้าร้อยท่านเอ๊ะเพทพพิดาั้งขา่าไม่ได้ยินเลยนะแต่ดงวที่หลวงพระธรรบุญทัานตืงนเหอนนะ เาระยานที่ก็เปื้อนเต้นใกล้ๆนั่นแหละท่านก็กล่าวถึงประวักของโคเทพบุตรท่านหนึ่งชื่อว่าโคสกะเทพบุตรโคศกเทพบุตรอ่ะโคศกคือพี่เรียกว่าโคศกก็บอกว่าเพศปกตินี่เสียงมันดังเป็นยรียดโยกอ่ะเสียงมันก้องมากเลยเขาเรียกเลยโคศกอะไรเงี้ยแปลว่าอดีตชาติของโคสก้าเทพบุตรนี่มาจากสินักคือสินักเป็นสินักของนายโคบานคนเลี้ยงวัว แล้วสุนัขอันนี้เนี่ยก่อนมาเกิดเป็นชุนักก็เกิดเป็นคนแต่ว่าไอ้สุนักตัวนี้ไอ้คนคนนี้เนี่ยชื่อว่นายโกตุฮาลิกานีใกล้จะตายเนี่ยโอ้โหเวลาใกล้จะตายนี่หมานี่มันดีกว่าเราหมาเนี่มันยังกินอิ่มนอนหลับไเราที่เป็นคนเนี่ยฮะเช้ากินข้ามอดอยากหิวมานอนอู้หมาตัวนี้มันมีบุญเนาะมันดีกว่าเราสั็มเลอนั่งขี้นี้นอนทิศอย่างเงี้แหละตายตัวเป็นหมาเลยอะ่ะ ใครเป็นแมววะระวังให้ดีนะบางคนเนี่ยมีซับมีสีลกันนอนตายนึกถึงแต่รับนั่นแหะแต่ เ, เป็นอะไรอยู่แถวนั้นน่ะนั่นแหละสมัยก่อนนี้เขาบอกว่าเป็นพญางูรงอางเศ้าทซั์ก็มีนะอะบางคนเนี่ยเป็นฝังรัพย์ไว้ในน้ําคิดถึงแต่รับตอนนั้นตายเกิดเป็นแจระเข้แถานั้นหมายนี้ยอมไปเกิดแถวธนาคารไม่ได้นะเขฉีดยานเนี่อระวังเกิด <c> เ <oughs> <c oughs> ป็นแมงดาบแล้วแม่ก็ฉีดยาตายหมดอะ มีในย่างพระองค์หนึ่งเนี่ยก่อนจะตายท่านท่านนึกถึงแต่จีวรของท่านโอ้ยจีวรของเราตายเกิดเป็นเลนเลยเลนก็คือเพื่อะจับประเทศเขาอะ่ะเล็กๆที่ตายแล้วไปอยู่ในตัวในจีวรนะ่ะเจ็ดวันกิงตายอะ่ะแท้นกรรมที่นําเกิดนี้อาจจะมาจากกรรมที่มาในชาติก่อนๆ น, นั้นก็ได้ถ้าคนที่ใช้ระลึกชาติได้เขาจะรู้ว่าที่เข้ามาปฏิสนธิตรงนั้นเนี่ยเบื่อกรรมอะไร อยานนาโคโสก่าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนายโกโตรตัวฮาเลกะดีใจก็คิดถึงหมาตาแล้วเกิดเป็นหมาขณะตายตายถ้าเกิดเป็นหมาตึ๊บโ้โหดันเป็นหมาเจ้าของีมีบุญเจ้าของนี้มีศรัทธาทำบุญกับพระประเจรเป็นประจำตอนหลังก็ให้หมาหมานี่เป็นบางครั้งนี่หมาก็นิ ม, มนต์พระอะไร่างเ้ น, นาะากบอกจากหมาไปนิมนต์พระมาฉันทีทีนี้เขาบอกว่ารันนายถ้าหมาไปนิมนต์พระมานะไปถึงตึ๊บมันก็จะเห่าแสดงกริยาา ผมมานี่มนนะมินมนถ้าคุณเจ้าออไปขันอ่หมาท้าก็รู้ถึงเวลาก็หนึ่งจะบงง่งจงจีว อ, อนซ้นสังกาเตะอะไรก็ตามหลักลก็อุบบามทมาทีนี้บางวันเนี่ยท้าท่านลองแกล้ ง, กลงหมามดูดิลาไปพังเอิบดูหมามันไม่ยอมไปเห่าจะหาสกัด บ, บังแล้วท้าก็ไม่ยอมนั่นก็ลองเดินไปอีกหมานี่งัดจีวอนเลยมาทั้งนี้งัด <c> จ <oughs> ีวออ่าท่าก็ต้องตามไปไม่งั้นจะบงหลุดไงจะต้องตามไปนั่นแหละ ก็พวกพันอยู่คับพระตะเจดนานแต่หลังพระตะเจดเนี่ยท่านตั้งไปที่ราที่อื่นไป เ, เยสทีออนที่เขาขันตมาศทีนี้ท่านก็จากไปมานี่เสียใจมากมานี่เห่าหอนตายพระแล้วก็ขาดใจตายตรงนั้นน่ะแต่เกิดเป็นเทิดพระบุตรเรโคสจ่าเทิพบุตรตปเกิดเนี่ยเพราะความอดอยากในพบก่อนๆ น, นั่นแนหะตากตารตะกนารหน้าดูเลยเที่ยพลินเลยไม่เลินทานอาหารอีกแต่ก็อยู่ในสวรรค์ น, นานโคมันกันเป็นเทิพบุตรที่หนักไปในการเล่นเล่นในลู น, ล น, ลนทานอาหาร ตื่นเ้นเลยสักมนุษย์เนี่ยเรือนทานอาหารสักสามสี่มื้อนะไม่ตายนะมนุษย์เนี่ยพิเศษเทวดาเนี่ไม่ได้เลยเรืยนทานอาหารมื้อเดียวจุติคือรอดธรรมชาติโคตรแรงมากเขาบอกว่าเออมันทานอาหารมันน่าจะฟ้นได้มันน่าจะมันน่าจะไม่ตายได้เพะนั้นอย่างมนุษย์เนีอยทามาหยดน้ำยาเต้นสักสามสีวันก็ฟื้นต่อไปฟืได้แต่เทวดานี่ไม่ได้เลยเขาบอกว่าเหมือนกับดอกบี้ยนะดอกบี้ถ้าเราถอนออกมาไปตากแดดให้มันเหี่ยวแล้วเนี่ย แต่แล้วเราไปรดน้ำร้อยหม้มันก็ไม่ไม่ไม่ซื้ขึ้นเทวดาก็เหมือนกันพอมันเริ่มขีดอันนั้นไปแล้วเนี่ยตืต่นแน่น่นนะใครตืต่นทีหนึ่งก็มาเตป็นลูกของโสเภณีคนหนึ่งนั่นแหละตอนหลังก็มาเป็นจักเป็นผู้มีศรัทธามั่งการต่้างวัดเลยเพื่อว่าโคสิตารามใครอ่านในพัทน์พระไตรปกนะพระผู้มีประทาคประทับอยู่ที่ตรงโกสัมพี วัดโคสิตารามที่โคสกะเธอวดาสร้างไว้ น, นั่นแหละวัด น, นั่นอ่ะประหยัดท่องเข้ามาอย่างนั้น <c oughs> ออดีตชาติท่ า, า, าสุดท้ายไม่ได้เตือนนะเขาเตืนท่าระยะไปแล้วนะตอนหลังก็สังธรรมก็บรรลุเตือนท่าเสดาบันไปแล้วนี่แหละของเราก็ยังฟังท่านเหมือนเดิม <c oughs> ที่ว่าตามที่มามาให้ปติเสธนี่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ บางคนเนี่ยกรรมเมื่อแสนเกิดจับที่แล้วนะเพิ่งพาให้มาผลนําเกิดในชาตินี้จะไหมยอยาบางคนเนี่ยกรรมที่ทําไว้ตั้งหลายชาติซึ่งให้ผลอย่างอ่ใครเคยศึกษาประยัดของพระอานนินท์ก็เหมือนกันนท่านก็ถิดศีนอยู่ทั้งชาติตายแล้วมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดจากเลูกเศรษฐีตั้งตกในรกเฉยเลยเกิดมาจากนรกก็มาเกิดเป็นลิงเกิดเป็นวัวเกิดเป็นโคเลยตั้งหลายอย่างวัวกับโคกันเดียวกันนั่นแหละ ก็เกิดเป็นลาบ้างเกิดเป็นอะไรบ้างตอนหลังก็มาเกิดเป็นกะเทยเก็ดก็เกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นนางฟ้าเนี่ยหลายชาติตอหลังก็มาเป็นผู้ชายคืนนั่นแหะพราะกุศลบางอย่างให้ผลเพระนั้นมันก็เป็นลักษณะนี้ตามที่ให้ผลนำเกิดมาปฏิเสธที่ในภาพนี้เราไม่รู้ได้ว่าเป็นกรรมของชาติที่แล้วไหมถ้ากรรมที่แล้วให้ผลนำเกิดเรียกว่าชาวนะเดือนที่เจ็ดให้ผลนำเกิดถ้าหากว่ากรรมเกิดนู่นให้ผลนำเกิดเรียกว่าเดือนที่แสถึงเดือนที่เห็ให้ผลนำเกิด น, นั่นละนั่นไ้ชาวนะเจ็ดเดือนกลมตรงนั้นเนี่นยมี่ที่ผพมมากเลยนะมถ้ากรรมที่ให้ผลนำเกิดนั้นตั้งเติมกรมที่ทำในเมเนธรามวิถีทนั้นนะที่ให้ผลนำเกิดได้เช่นชาวนะเดือนที่หนึ่งเจตนาตัวนี้จะให้ผลในชาตินี้เท่านั้นถือว่ามีกำลังมากเติมเจตนากรรมที่มีกำลังมากสามารถให้ผลในชาตินี้ได้ บางคนเนี่ยทํากรรมแล้วให้ผลภายในไม่เกินเจ็ดวันก็มีอย่างเช่นไถนาเสร็จโอมองเห็นเป็นทองเลยอย่างนี้ก็มีหรือบางคนเนี่ยไปด่าพระเอาไว้เสร็จเลยด่าอย่างพระโกกาลิกะพระโกกาลิกะนั้นเป็นลูกของเศรษฐีเสร็จแล้วพระสารีบุตรไปพักอยู่ด้วยพระโมคคัลลานะไปพักอยู่ด้วยแต่หลังเนี่ยท่านโกรธพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมากด่าด่าว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นคนตากธนารามกร็จแล้วบอกว่าหลังจากที่ท่านด่านะโอ้ยขึ้นตุ่มเต้นตัวจนหมดเลย บอนกระวนกระวายนอนเนี่ยไหลเอ้ยหมเนี่ยไหลเป็นตัวไปหมดเลยทั้งก็เป็นผลของกรรมที่ทำในชาตินี้ให้ผลแ็จแล้วเกตนาเดือนที่เจ็ดก็นำปฏิสนธิในนรกทันทีเลยท่านก็ปฏิสนธิไปเกิดในอโวกจีมหานารกทีนี้จากแสงถึงหตัวนี้เนี่ยมันลักษณะว่าถ้าปัจจประชุมพรอนเช่น้าตโย่าเป็นต้นมีพราน เตนาเดือนที่สองถึงที่หกพร้อมที่จะให้ผลตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะถ้าประโยค่าพร้อมนี่วิบากแทนที่จะให้ผลเช่นทางจากรคูวิญญาณเนี่ยแทนที่จะให้ผลทันทีเลยโซตาวิญญาณก็ให้ผลทันทีขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณก็จะให้ผลทันทีเลยเช่นอ๋อนะถ้าประโยค่าพร้อมเนี่ยถ้าตรงนี้นะธรรมนานี่ชิวหาวิญญาณยังไม่เกิดแต่ถ้ายกน้ามาเนี่ยประโยคนานั้นทําให้ยกน้ําขึ้นมากรึเข้าไปชิวหาวิญญาณเกิดทันทีเลย ต้องดูว่าชิมอะไรนะถ้าน้ำหวานก็เป็นผลของกุศลถ้าเผ็ดอะเผ็ดก็เผ็ดก็ก็เผ็ดเนี่ยเนาะมาจากอากุสนิบะเอ่ป็นผลของอกุศลทำให้เผ็ดแต่ก็มีนะบางคนก็ชอบเผ็ดเขาเรียกว่าพวกอิทธะปริกับปะพวกที่ชอบอะไรตรงกันข้ามกับที่มันดีๆะน ะ, อ, ะอย่างนี้เรียกว่านา น, ขาขนักขาคณิตกรรมมาจากชาวนะที่แตกต่างกาัน มาจากกรรมที่แตกต่างกันถ้ามาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มาจากครุกรรมแน่นอนครุกรรมไม่ให้ผลเกิดเป็นมนุษย์ถ้าครุกรรมฝ่ายกุศลเกิดเป็นพรหมครุกรรมฝ่ายอกุศลเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นฉันั้นพวก น, นี้ก็มาจากพวกอากรรมที่เป็นอาจิ น, นกรรมกรรมที่ทำเป็นตกติทําบ่อยๆทําเนืองนิดทำเป็นประจำ หรือว่ากรรมที่ทําใกล้ตายนั่นแหละกรรมที่ทําใกล้ตายเหมือนกับมันดูกะเทศผบุตรใช่ไหมเทศบุตรกบเนี่ยกรรมเท่านั้นอ่ะด้วยศรัทธานั้นถือว่าเป็นกรรมที่ทําใกล้ตายหรือว่านายมัตตคุลเบลีนายตุ้มหูกเกลี้ยงก็มีในเศรษฐีสมัยก่อนบางคนเนี่ยประหยัดประหยัดมากจริงๆจริงเลยเขาะว่าความประหยัดของเศรษฐีคนนี้มีจนถึงขนาดว่าถ้าเขาเนี่ยจะทําเครื่องประดับให้ลูกนะถ้าไปจ้างให้ช่างทําำวกจ้างมันก็จะคิดราคาแพง เราเนี่ยเอาทองมาตีเองดีกว่าตีเป็นตุ้มหัวอย่าตีแบบวิจิตรลวดลายเนี่ยก็ทำไม่เป็น เ, เอาทองเนี่มาตีให้มันเกลี้ยงๆ ก, ก, ก็เอาไปแขวนหูให้ลูกชายแล้วก็เลยเชื่อว่านายมัตตคุณตลีว่า ง, งั้นนายตุ้มหูเกลี้ยงประจากพราที่ประหยัดมากเลยนะเจรสะสมมากนั้นคนประหยัดลักษณะ น, น, นี้เขาบอกว่าเงินทองเนี่ยถ้าใช้ธีละบาทสองบาทมันก็หมดได้เหมือนกับยาหยอดตาใช่ไหมหยอดทีละหยดสองหยดมันก็หมดได้ เงินถ้าเงิน ท, งนทองถ้าเราหามาสะสมทีละบาททีละสองบาทเนี่ยกบมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะเหมือนกับพวกปลวกใช่ไหมมันขนดินมาทีเล็กทีละน้อยหูได้จองปลวกก็ใหญ่เลยเขาก็เลยประหยัดสะสม อ, อไมไว้ตอนหลังแม่กับลูกไม่สบายก็ไปไปถามหมอหมอถ้าป่วยอย่างนี้กินยาอะไรเนี่ยนะไม่ไม่กล้าไปจ้างหมอมารักษากลัวจะเสียเงินเสียทองเสร็จแล้วตอนหลังก็ปล่อยให้ลูกเกือบตายเกือบใกล้จะตายแล้วพระพุทธเจ้าก็สงเคราะเดินผ่านแทนรัศมีให้เห็น นายมัตตคุณตลีเห็นแล้วก็เลื่อนสายเลื่อนสายแล้วก็จุติจุติก็ปฏิสนธิเป็นมัตตคุณตลีเทพบุตรเทพบุตรต้มหูเกลื่อนมาจากอดีตะนะนะก็มาจากศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละศรัทธาอันนั้นเนี่ยเป็นอาสันกรร ม, มเป็นอาสัญกรรมที่ทําใกล้จะตายทําให้ปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีอันอาสัญกรรมเนี่ยนะจะดีหรือจะชั่วตนปัจจัยให้ผลนําให้ผลนําเกิดได้นะ สมมติบางคนเนี่ยโหทำดีมาเกือบทั้งชาติใกล้จะตายเนี่ยเผลอไปทำชั่ววป๊เดียวนั่นน่ะไปอบายได้เลยนะนั่นแหละเหมือนกับเหมือนกับพานางมาิกาเนี่ยโหแกทำบุญเยอะนะชาตินั่นน่ะพอเวลาใกล้จะตายเนี่ยเผลอไปนึกถึงความชั่วบางอย่างใกล้ตายอ่ะนึกถึงตับ๊บจิตเศร้ามองตกนรกเจ็ดวันโห <c oughs> ตกนรกเจ็ดวันเจ็ดวันมนุษย์นะ <c oughs> ที่จริงกุศลหลายอย่างที่ทำไว้มันให้ผล แต่ที่จริงอย่าคิดนะว่าคนเนี่ยคือบาปที่เราทําไม่ทาแค่ชาตินี้ไหมอ้าวชาติที่แล้วก็ทําไว้เท่าไหร่อ่ะคือกรรมกรรมที่ชักพานํานรกเนี่ยนะอาจจะไม่แรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอ้กรรมอื่นๆสิมันก็ค่ากับที่เราเข้าคุกเนี่ยมันคดีเล็กน้อยที่เข้าคุกอ่ะที่ถูกจับเนี่ยคดีเล็กน้อยพอคดีอื่นๆเนี่ยเข้ามาหมดเลยใครคนโน้นกับมาฟ้องทีคนนี้ก็มาฟ้องทีนะคะ่ากับ น, น้าลดอะ่ะพอน้าลดต่อมันโผล่เพียบเลยนะ กรน้นก็จะให้ผลกรรมนี้ก็จะให้ผลก็อบอกว่าพอถูกจับปั๊บเจ้านี้เนี่ยมาเทียบเลยอ่ะอย่างนั้นแ่ะเพราะคนเราไม่ได้ทํากุศลมาตลอดใช่ไหมเอางี้ดีกว่าวันนี้พูดที่เป็นบุญกี่ครั้งแล้วเราเนี่ยพูดละพูดหลายคําเลยเนาะเออคาพูดที่คิดว่าจะให้ผลไปสวรรค์ได้นี่นมีไหมเออสาธุแสดงว่าจะไปดีแล้วคําพูดที่ไปอย่างอื่นมีไหมเก็เยอะเหมือนกันเนะนั่นน่ะบวกลบคูณหารเอากันแล้วกัน ว่าจะไปไหนดีนั่นแหละทั้งเจตนาที่เรากําลังทำอยู่นี่ถือมีผลทั้งหมดผมก็จะมาลักษณะนี้เพราะว่าตรงนี้ที่ขึ้นมาก็เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนะเป็นเป็นจุดที่สําคัญที่สุดกองทุกทั้งหมดก็มาจากการเกิดพอเกิดมาอย่างนี้พับมันก็ต้องอยู่ในครันพระเจ้าแบอบกว่าการอยู่ในครันเนี่ยเป็นของที่เป็นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแต่ส่วนใหญ่เด็กในครันจำไม่ได้แลนะ้วเนาะ เอาได้แล้วนะน า, น, า, น, า, านักขาคณิดกกรรมพอจิตดวง น, นี้ดับไปจิตต่อดวงต่อไปที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเขาเรียกว่าผวั ง, วงเรียกว่าปฐมผวังผวังดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีามีปฏิสนธิจิตนี่แหละเติมปัจจัยนั่นแหละเป็นปัจจัยต่อไปทีนี้เราได้แล้วในปฏิสนธิจิตนี่เราสงเคราะห์โดยชาติของปัจจัยมาแล้วแปดชาติ แต่ชาติของปัจจัยแต่ให้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยจิตดวงนี้ที่มาเกิดขึ้นนะมีปะการุปะนิสยาปัจจัยอีกหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมมีปะการุปะนิสยาปัจจัยอีกหลายเรื่องบางคนเนี่ยนะปฏิสนี่เป็นมนุษย์เพราะอุปนิสัยบางอย่างเนี่ยฝักฝ่ายในมนุษย์ทำไมเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์อะ เอางี้เนี่ยกรรที่ทํานี้ก่อนทำกรรมไม่คิดอะไรเลยทําไมจึงคิดทําบุญใช่ไหมเพราะอยากเกิดเป็นเศรษฐีอยากเกิดเป็นคนอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะไอ้ตัวตัญหาตัวนี้นี่แหละเป็นตะกตูนิสยปัจจัยที่สําคัญแก่ปัตติส่วนที่จิตนี้มากนั่นแหละเพราะปัญหาทีนี้ในขณะที่ตัญหาเกิดก็ต้องมีอวิชชาเกิดร่วมด้วย โมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทั้งกรรมทั้งปัญหาทั้งอวิชชาและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเจตนานี้ยเขาเรียกว่าสังขารหรือกรรมภพฝั่ยนี้เรียกว่ากรรมภพเติมปัจจัยให้เกิดเติมอุปาติภพฝั่งนี้เรียกว่ากรรมภพนะฝั่งนี้เรียกว่าอุ ป, ป, ใใออปนนาติภพ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากุศลตัวนี้จะไม่ให้ผลนําเกิดเลยนะถ้าไม่มีตัณหานะถ้าไม่มีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ปฏิสนธิเลยจะไม่เกิดเลยแต่ที่เกิดเพราะมีตัณหาและมีอวิชชาเพราะนั้นขณะที่ทํากุศลนั้นน่ะบางคนเนี่ยโหทําบุญนะนะบางคนเนี่ยยมบางคนก็ทําบุญเขาปากถนาโหสามสี่นาทีเหมือนกันนะ เราก็ clicks, ขมบขมิดขมบขมิดเราก็ไม่ได้ยินด้วยนะเราจะอนุโมทนาก็ไม่กล้าอนุโมทนาบางทีบางคนปาถนาไม่ดีเราจะไปอนุโมทนาเลยก็เรียกว่าทํากรรมไม่พิจารณาอีกก็ฟังเออเขาจะว่าอะไรของเขาอ่ะนะแล้วก็ฟังก็าขมบขมิดขมบขมิดอยู่นั่นแหละนั่นแหละเขาก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขาก็ปาถนาของเขาแต่เราจะบอกษาทูต ด, ด้วยกับเขาถ้าเขาปาถนามไม่ค่อยดีอ่ะจะว่าไงก็คื อ, ค, อคือบางคนทําบุญอย่าไปคิดว่าเขาปาถนาดีนะมีโยมคนหนึ่งนะเจ้าของห้าง เจ้าของห้างห้างหนึ่งชือดังมากตาเจ้าของห้างทีมไข่มุกกวนอินเขาปาถนาอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าทําไปแล้วมันเป็นบุญเขาไปเที่ยวคาเฟ่เที่ยวครับอะไรเงี้ยก็ให้มีพวกนั้นมามาติดใจเขาเยอะๆอะไรเงี้ยนะเออไปเที่ยวห้างปาถนาให้พวกนางระบำมาติดใจอ่ะเออปาถนาอย่างนี้ก็มีอ่ะมาโอ้โหอย่างงี้ก็มีไว้เนี่ยเนี่ยเนี่สมัยนี้นะอันนี้ฟังจากเสียงเขาเองเลยเขาว่าเอง แล้วทำไมเราจะต้องไปรับรู้แทั้งหมดเถอะไม่ต้องรับรู้ไปหมดแล้ว <c oughs> เขาไม่เล่าให้ฟังอย่าไปถามเลยก็บอกว่ามันเรื่องของโยมอะา ง, งั้นจย่ว่าไงอะอทีนี้อีกคนหนึ่งนะเชื่อว่านายการละหลานของอาณาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยแกเอาของไปบูชาพระเจดีย์เลยนะแกทำบุญแล้วก็ตั้งปาถนาว่าสาธุเลา ง, งั้นโดยผลของบุญ น, นี้อะ ผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติของข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าแล้วติดใจเลย <c oughs> แต่ลหลังจากชาตินั้นเนี่ยนะแกไม่ผิดจาเมีเฉพาะกับคนที่เป็นญาติเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> ผู้หญิงที่เหลือเจอหน้าแกเนี่ยตามจะต้อยต้อยต้อยจนหมดอ่ะทํากรรมอย่างนี้ก็มีนะคนมาคนเนี่ยโหพิเศษนะตอนนั้นนี่แต่ว่ามเหตุไม่ค่อยดีนักนะพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ผิดศีลการเม่บ่อยๆ